บุ๊ทูสามสิบสี่มุ่งไปนาล์ก้บนรถไฟเทรินโลนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะอ่าเรินเบอร์ลินกีเวเลเดนะรถไฟออกเมื่อไหร่คะ ทรถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะเทรนเบอร์ลินกี่ปุรจีร์กุนตุนดีขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะแชมินเชนดีก้นชิมจารกรุตาระดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะอดีนซีกันกุนต ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะมีรูนาซีทโล่กูชุน่ารานกคุณตาตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะสลีปเปอร์แยกกัะวุ่นดีตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟสลีเปอร์เทรนชิวระบุ่นดีและรถสเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะ อาลากีดินนิงคากุ ด, ดีมุเดรฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะนีนูกินเดปดกวัจจาดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะนีนูมัยโลปัดโกวัจจาดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะนีนูไปน์ปักวัจจ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่มานันสั่งให้เด็กหญิงพูดเชรคุณตามุไปเบอร์ลินใช้เวลา น, านานเท่าไหร่คะเบอร์ลินเชรคกอดานิกิยันทั้งใจปัจจุบันดิรถไฟจะเข้าช้าไหมคะเทรนอาลัสยังกานดุสตันดาคุณมีอะไรอ่านไหมคะมีวัตถะชดิเวนด็กิงไหมนะบุนดา ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะอีกกะดัตากดานิกีเทนดานิกีเยเวน่าดรกุตายะคุณช่วยปลูกดีฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะนั่นอยู่ยดุกันเทลกิเลปะลกุตาะ